กราบบูชาพรตนาไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกราบครวะหลวงพ่อกมอาจารย์วัฒนาชัยอาจารย์ชัดชัยพันเตเพื่อนสาธมิกจริญพรมายังแมช่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็นั่งกันตามปกติเนาะ ก็เป็นกิจวัตรประจำวันของวัดป่าสุกโตหลังจากเราทำวัดจะเป็นตอนเช้าก็ดีตอนเย็นก็ดีหลังจากไหว้พระศพมน์เราก็มาฟังธรรมกันการที่เราได้ไหว้พระศพมน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการที่เราได้นำจิตใจของเรา ไปน้อมระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะก็คือพระรัตนตรัยนะซึ่งอันนี้ในแง่ของชาวพุทธนะสำหรับชาวคริสตนะ์ก็ทราบ ว, ว่ามีชาวคริสต์มาด้วยนะก็ให้น้อมระลึกถึงสิ่งที่เราเคารพนะก็ไม่จำเป็นจะต้องสดมนนะเหมือนชาวพุทธนะ น, นี้ก็ให้เป็นสิทธินะ์ของผู้ที่นับถือศาสนาอื่น แต่สิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เนะี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาใดนะเป็นเรื่องของชีวิตนะเป็นเรื่องสากลนะเป็นเรื่องของคนทุกคนนะที่จะได้นำเสนอกันต่อไปออวันนี้นะก็เป็นโอกาสนะของออนักศึกษาไม่ใช่ไม่ใช่นักศึกษาเรียกว่าผู้เข้าอบรมนะหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง นะของวิทยาลัยาสาธารณสุขนะโดยที่จัดให้กับทางโรงพยาบาลอุดรธา น, นีนะซึ่งผู้ที่เข้ามาอบรมครั้งนี้นะส่วนใหญ่ก็เป็นบุคลากรนะของโรงพยาบาลอุดรธา น, นีทั้งหมดนะประมาณ135คนนะโดยประมาณและก็มีเวลาที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกัน มาศึกษาร่วมกันที่นี่ในสวันนะเามื่อพูดถึงหน่วยงานทางด้านโรงพยาบาลนหรือว่าสาธารณสุขเนี่ยก็ทำให้นึกไปถึงเรื่องของการดูแลการรักษาพยาบาลละโดยส่วนใหญ่ <c oughs> ก็จะดูแลโรคทางกายนะซึ่งก็อาจจะมีเรื่องโรคจิตโรคประสาทบ้าง นั้นก็เป็นส่วนของโรคทางกายนะซึ่งส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกันดีนะจะเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือว่าพอดหัวตัวร้อนนะหรือว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะโรคทางกายเนี่ยทางคุณหมอนะทางพยาบาลทางโรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะก็ช่วยให้ประชาชนนะมี สุขภาพดนะีจากความเจ็บป่วยทีนี้มันมีโรคอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งโรคนี้เข้าใจว่าในกลมนามัยก็ดีหรือว่าสารสุกก็ดีอาจจะยังไม่ได้บัญญัติหรืออาจจะบัญญัติแล้วก็ได้นะนะโรคชนิดนี้ก็คือโรคทางใจนะโรคทางใจเนี่ยพระพุทธองค์ก็ได้กล่าวไวนะ้ว่าเป็นโรคที่ ได้น้อยมากที่จะไม่มีใครไม่เป็นเลยแล้วก็เป็นกันได้ทุกเวลาด้วยนะคือโรคทางกายเนี่ยาบางคนสุขภาพแข็งแรงอาจจะสิบปียี่สิบปีทิ้งเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือเธอดูแลสุขภาพดีๆก็ จ, จะไม่ไม่เป็นไรเลยนะแต่โรคทางใจเนี่ยน้อยคนมากที่จะไม่เป็น และบางทีมันเป็นวันหนึ่งหลายครั้งด้วยนะบางทีเราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่า ม, มันเป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันในแง่ของอในทางจิตวิญญาณนนะในในแง่ของชีวิตนะในในแง่ของจิตใจโรคทางใจนี่มันเป็นอย่างไงคิดว่าแต่ละคนเนี่ยคงจะเคยได้สัมผัสกันอยู่นะเช่นบางทีเรามีความหนักอกหนักใจ บางทีเรามีความเศร้ามีความเซ็งมีความเบือ่อมีความหงุดหงิดมีความเครียดมีความสับสนนหลงเหงาว้าเหว่ยอยู่คนเดียวอาจจะรู้สึกเหงาว้าเหว่ยอยู่คนเดียวไม่ได้หรือบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่มันไม่อิ่มในใจมันไม่อิ่ม ร่างกายมันอาจจะอิ่มนะแต่ใจมันไม่อิ่มมันขาดอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเป็นอาการของโรคทางจิตปัญญาหรือโรคทางใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนโดยทั่วไปก็บอกมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดนะะแล้วมันก็เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปนะซึ่งถ้าเราทําใจอย่างนี้ได้มันก็สบายแต่บางคนมันใจไม่ได้นะอย่างเช่นความเหงาความเบ้าเว ความเบือ่อความเซ็งเนี่ยนะบางทีบางวันเนี่ยมันก็มาและเรียนมาเยี่ยมเยียนเรานะยิ่งถ้าเราอยู่คนเดียวงียบเงียบนะไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงเนี่ยเราก็จะไม่ได้เจอหรือนะบางทีมีเพื่อน ม, นมากๆบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องก็มีเหมือนกันนะตรง น, นี้ก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจนะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งนะเป็นโรคทางใจได้เหมือนกัน โรคชนิดนี้เนี่ยมันไม่มียารักษานะแต่มางก็อาจจะแย้งว่าทาไมจะไม่มีเวลาเราเดียวแล้วไปหาเพื่อนคุ ย, ยใช่ไหมเออหรื่องเราไปทำกิจการเช่นไปดูหนังฟังเพลงเอ้ยเดี๋ยวมันก็นหายเนีเป็นยารักษาโรคแต่จริงๆต ร, ง, ร ง, งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการรักษางานมันเป็นการหาเรื่องเปลี่ยนไปนะะทําให้เราไม่รู้จักโรคจริงๆแล้วก็ไม่สามารถเกี่ยวแก้ปัญหาโรคนี้ได้จริงๆ ไม่รู้สาเหตุมันจริงๆว่ามันเป็นยังไงมันมีสาเหตุมาอยังไงเพราะฉะนั้นชีวิตเราในแต่ละขณะในแต่ละวันเนี่ยเราจะเจอกับสิ่งเหล่านี้นะมีความพอใจไม่พอใจนะความพอใจอะไรที่ทำให้เราพอใจเราก็มีความสุขนะอะไรที่เราไม่พอใจเราก็มีความทุกข์นะพูดง่ายๆก็คือ จิตใจของเราเนี่ยมันไปเจนอยู่กับความทุกข์ความสุขาเป็นโรคที่เรียกว่าไหลไปตามอารมณ์มาไหลไปในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้ตัวมาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าโรคลืมตัวก็ได้เขาไม่ลืมตัวนี้มันมีก็หมายหมายถึงว่าเราไม่รู้เท่าทันมากับอารมณ์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอย่างเช่น ๆๆๆเรานั่งนาๆเาปวดเาเมื่อยนะเราก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมานะเราเรารู้สึกไม่อยากจะอยู่ในท่านี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะจริงๆอาการของปวดเมื่อยเนี่ยมันเป็นธรรมดาของร่างกายนะเป็นอาจจะเรียกว่าเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่การที่เราไม่รู้เข้าทึงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเกิดความหงุดหงิดเราก็จะเลยเกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นมา นะซึ่งตรงนี้เป็ น, ปนการลืมนะลืมความจริงลืมตัวไปนหะลงไปในอาการเหล่านั้นขึ้นมาหรือบางทีเกิดความเบื่อนะเกิดความเซงขึ้นมานะอันนี้มันก็เป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นได้นะแต่บางทีเราไม่รู้นะเราก็ไปจนะไปจนอยู่ในอาการเหล่านั้นในความรู้สึกเหล่านั้นก็ทำให้เราไม่มีความสุขนะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น อาการที่เราโจมมือไปเรื่เราอยู่ในอาการเหล่านี้เนี่ยเรเรียกว่าเป็นโรค ล, ลืมตัวนะโรค ล, ลืมตัวที่เราไม่รู้เท่าทันนะสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆก็คือหลงนานหลงไปลืมไปลไปืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนะซึ่งตรง น, นี้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่คนที่ไม่ได้สนใจ ตัวเองก็จะไม่ร <sh um er ู้ว่ามันเป็นโรคคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่คนที่มีสติมีปัญญาเนี่ยเขาจะเล้ว่าอันนี้มันไม่ปกติละมันเป็นเรื่องที่เกิดซ้าแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกจนเเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยการอยกายการใช้สติปัญญางานที่แหลมคม เป็นสติปัญญาที่เกิดจากการที่เร า, ามาทาความรู้สึกตัวไม่ใช่สติปัญญาที่เกิดจากการคิดาหายเหตุอาผลนะเพราะนั้นโรคชนิดนี้โรคลืมตัวที่ไม่รู้เท่าทันความคิดไม่รู้เท่าทันอารมณ์ไม่รู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจเนี่ยนะโรคชนิดนี้เป็นโรคที่สามารถเกิดได้กับทุกๆคน มีคนกลมเดียวที่จะไม่เป็นก็คือคนที่หมดทุกข์แล้วที่เรียกว่าพระอรหันต์เพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยจะเป็นโรคชนิดนี้แน่นอนจะมากจะน้อยมาขึ้นอยู่กับเรารู้เท่าทันมันแค่ไหนแล้วเราสามารถที่จะปล่อยวางมันได้แค่ไหนซึ่งตรงนี้นะ่ก็เป็นจุดที่จะเที่ยนว่าโรคลืมตัวโรคไม่รู้ตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่ อ, อที่น่าสนใจอันหนึง่ง นะจะเรียกว่านมากกลัวมันก็อาจจะพูดเออเกินไปในโรคที่เราควรจะสนใจบ้างนะเราจะไปสนใจแต่โรคทางกายนะคงไม่พอนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานทําการโดยเฉพาะในส่วนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเนี่ยนะนะเป็นเป็นบุคลากรที่ทํางานหนักมากแล้วเราจะต้องเจอกับคนที่อยู่ในสภาพที่ เรียกว่าร่างกายไม่สมบูรณ์จิตใจก็อาจจะไม่สมบูรณ์ด้วยนะเรียก็เราต้องรับภาระหนักนะล้วก็อาจจะมีอาการเครียดนะเหนื่อยนะขึ้นมากับงานเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าจิตใจของเราไม่หนักแน่นพอหรือว่าสติของเราไม่รู้เท่าทันปอเนี่ยเราก็จะจมไปอยู่กับเอ่อความอาการเหล่านั้นอาจจะเป็นความเครียดความเหนืย ความบือนะใจเราก็จะจมไปอยู่ในสิ่งเหล่านี้นะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เรามีความทุกขนะ์เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวที่นี่ยาที่จะมาแก้หรือจะมารักษาเนี่มันไม่มียาข้างนอกนะเราจะต้องรักษาด้วยตัวเราเองยาที่จะรักษาโรคลืมตัวก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองซึ่งความรู้สึกตัวนี่ มันก็มีอยู่แล้วนะใครไม่รู้สึกเตือนก็คนบ้าสิใช่แต่พูดถึงความรู้สึกเตัวที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเตัวที่เกิดจากการพัฒนาหรือเรียกว่าภาวนาในซึ่งความรู้สึกเตัอหรือสติสัมปชัญญะเนี่ยมันมีสองอย่างอันแรกเป็นสติตามสัญชาตญาณอย่างที่เรามีความรู้สึกเตัวในการ ทำการทำงานในการพูดการคุยการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยอันนี้เป็นสติสามัญที่มันมีอยู่แล้วแต่สติสามัญเนี่ยนะมันไม่ทันมากับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอาจจะเป็นความโลภความโกรธความหลงกดีซึ่งมันไวมากเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องมาพัฒนาฝึกสติตัวเนี้ยตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ย ให้มันฉับไวขึ้นให้มันว่างไวขึ้นให้มันทันกับอารมณ์ต่างๆให้ทันกับความคิดมาที่ปรุงแต่งมาเส้นเห่นั้นก็เป็นสิ่งที่ไวเมื่เอเมื่อมันจึงเกิดระบบของการพัฒนานาสติขึ้นมาหนา เ, าเรียกว่าการเจริญสติหนาเรียกเป็นภาษาพระนิพนธ์ว่ากรร ม, า ฐ, ารรมาฐานกรรมฐานกันก็คือการกระทํานา ฐานก็คือเอาการกระทาเป็นที่ตั้งนะกรรมาฐานเนี่ยโนะดยส่วนใหญ่ก็จะแยกเป็นสองลักษณะอันแรกก็คือการทำให้จิตสงบในระดับหนึ่งก็นะเรียกว่าสมถกรรมาฐานนะแล้วก็อีกอันหนึง่งนะเป็นการทาโดยให้จิตมันตื่นรู้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆก็นะเรียกว่าปิปัสนากรรมาฐานส่วนใหญ่ ที่เราไปฝึกกันเน่นาะก็มักจะเป็นสมถ ก, กรรมาฐานก็คือสงบนิ่งนาะแล้วก็ชอบใจนาะไม่พัฒนาต่อนาะก็คือไปติดในความสงบจากการนั่งนิ่งๆนาหรือนะในอาการที่สงบเท่านั้นเองนาะไม่จะได้พัฒนาต่อทีนี้ในส่วนของวิปัสสนากรรมาฐานเนี่ยก็คือต้องพัฒนาต่อไปต้องให้จิตมันตื่นรู้ขึ้นมา อย่าไปม่งอย่าไปสงบอยู่ในอาการที่มันมึนหรือตกผวังนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดอ่อ น, นของคนที่ฝึกกรรมาฐานนะทีเ่เน้นความสงบพูด ถ, ถึงความสงบมันก็มีอยู่สองอย่างเหมือนกันอันแรกคือความสงบแบบไม่ต้องคิดอะไรนะซึ่งส่วนใหญ่นะเร า, านอนหลับมันก็สบงบนะหรือเนั่งนิ่งๆหลับตาหายใจเข้า รู้หายใจออกรูนะ้มีคําบริกรรมให้มันสงบนิ่งไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วเราก็ดื่มดำนะดื่มดำไปกับความสงบนะมีความรู้สึกซาบสซ่านบานะงคนก็มีขนลุกขนพองขึ้นมานะรู้สึกโปร่งโล่งเบานะก็คิดว่าอันนะี้คือเป้าหมายแล้วอันนะี้คือสิ่งที่เราจะต้องทํานะซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็เป็นเพียงแต่ขั้นตอนหนึ่ง เป็นอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมถะนั้นเองมันยังไม่เกิดปัญญาทีนี้เราจะพัฒนาให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้อย่างไรณนะตรง น, นี้เราก็จะต้องไม่ไปจนดึงอยู่ในอาการสงบเหล่านั้นนะเราจะต้องถอนนะสติถอนใจของเราขึ้นมานะปลกความรู้สึกตัวขึ้นมานะซึ่งตรง น, นี้ต้องอาศัยสติ เพราะนั้นคนที่จะฝึกกรฐานเนี่ยเราต้องอาศัยสติหรือความรู้สึกตัวเป็นอย่างมากส่วนใหญ่เราจะรู้จักแต่การฝึกสมาธิแล้ว ก, ก็คือนั่งนิ่งหลับตาแต่สติเราไม่ค่อยความสนใจเพราะฉะนั้นคนที่ไปฝึกสมาธิโดยสติยังไม่ชัดเจนเนี่ยบางทีมันก็ไปติดสงบบางทีมันก็จะไปเจอภาพแปลกๆในจินตนาการในมโนภาพขึ้นมาอันนี้นบางทีก็ไปหายไปเลย ตกใจขึ้นมาเอ๊ะมันไปอย่างไรหรือบางทีขนาดนั่งสงบ ม, มีเสียงฟ้าผ่าเปรี้ยงมันก็ตกใจก็มีเหมือนกันอันนั้นพู ด, พดง่ายๆก็คือสงบนิ่งแต่ไม่มีสตินะทีนี้นคนทม่มีสติดีเนี่ยนะมีสติดีแล้วมีสมาธิพร้อมกันเนี่ยก็จะไม่ตกตกใจแล้วก็จะไม่จมดิ่งไปในความสงบเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นจุดที่อ่อที่ว่า การรักษาโรคทางใจเนี่ยเราจะใสยแต่ความสงบนิ่งโดยไม่รับรู้อะไรเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงไม่สามารถแก้โรคชนิดนี้ได้แท้จริงเราต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานนี้ปัสสนากรรมฐานเนี่ยนะก็มีหลายรูปแบบแตนะที่เราเคยได้ฝึกกันมาส่วนใหญ่ก็จะเน้นนั่งหลับตา บริการบ้างหรือใช้ลมหายใจบ้างนะซึ่งก็เป็นวิธีการที่เป็นที่รู้จักกันทีนี้ที่บบวัดป่าสกเตเนี่ยจะต่างไปจากวิธีนั้นแต่เป้าหมายเหมือนกันนะมีจุดเป้งหมายเหมือนกันก็คือการที่จะให้เราไปรู้จักโรคทางใจแล้วก็หาทางรักษาโรคนั้นนะก็คือเราไม่นั่งหลับตาเราลืมตาแล้วเราไม่นั่งนิ่งๆเราให้มีการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวเนี่ยทำไมต้องเคลื่อนไหวการที่เราจะไปรู้โลกทางใจเนี่ยใจเนี่ยมันเป็นเรื่องนามธรรมอาการที่มันเกิดขึ้นจะเป็นอารมณ์เป็นความคิดมันเป็นนามธรรมเราไม่สามารถที่จะไปหยิบจับไปมองเห็นด้วยตาเนื้อได้เราจะต้องอาศัยสิ่งที่เราเรียกว่าตาในกือตาใจกือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็เป็นนามธรรมอีกเหมือนกันเป็นสิ่งที่เราจะไปนึกคิดสร้างจินตนาการขึ้นมาไม่ได้ แต่เราต้องประกอบขึ้นมาการประกอบขึ้นมาเนี่ยถ้าในหลักของอานาปาสิคือใช้ลมหายใจม้แต่สิ่งที่เราจะฝึกกันที่นี่เนี่ยเราจะใช้การเคลื่อนไหวของกายในโดยเฉพาะยิงย่งการเคลื่อนไหวของมือของแขนของเท้าจึงเกิดระบบของการเจรน์สติแบบเคลื่อนไหวขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ไปตรงกับในมาสติปฐานสูตรในพระตาปิฎกมาหวดว่าด้วยอริยบท กับสัมปชัญญะนะซึ่งก็อยู่ในหมวดของกายามิปัจฉานะจติปฐานคือหมวดกายนะก็อยู่ในหมวดเดียวกับอานาปนสตินั่นแหละทีนี้ทําไมไม่หลับตาล่ะทําไมลืมตาทําไมไม่นึ่งละ่ะทําไมต้องเคลื่อนไหวแล้วมันจะมีสมาธิได้อย่างไรอันนี้จะเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยโดยเฉพาะคนว่มาใหม่นะคนว่มาใหม่ที่เคยฝึกแบบนั่งนึ่งมึงหลับตานะตรงเนี้ย ก็จะเป็นความสงสัยนาะก็ได้ได้แต่ยังไม่ลงมืทอทําการที่เรามีการเคลื่อนไหวเนี่ยนาะก็เพื่อที่จะให้อาศัยการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละเป็นตัวปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วความรู้สึกตัวที่มีตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนั่นแหละนะให้มันมีความฉับไปขึ้นมาโดยโดยอาศัยการเคลื่อนไหวรูปแบบนี้หลวงพ่อเทียนนาะจิตสุโพนาะเต้นได้ พูดไว้เนะมื่อประมาณปี2 5 0 0นะหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติด้วยวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนะโดยเอาวิธีการของ <c oughs> คูบาอาจารย์นะที่รับถ่ายทอดมาจากประเทศลาวอี <c oughs> กทีเรียกวิธีเตีงนิง่งนะแต่แว่าท่านตัดคำบริกรรมออกไปทำให้เป็นการเคลื่อนไหวตามปกติไม่ใชนะ่เพราะว่าชีวิตของคนเรานะมันต้องเคลื่อนไหวมันต้อง ลมตานะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการประยุกตนะ์เป็นการที่จะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ที่เรามีการเคลื่อนไหวหลายคนบอกว่าไปปฏิบัติธรรมไม่ได้หรอกไปฝึกกรรมาฐานไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่ไปนั่งนุ่งๆไม่มีเวลาที่จะไปนั่งหลับตาเราต้องทำงานนู่นทำงานนีนะ้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้มีโอกาสในการที่เราจะฝึกหรือในการที่เราจะปฏิบัติธรรม แต่เมื่อเรามาทําการเคลื่อนไหวเนี่ยลืมตาเคลื่อนไหวเนี่ยมันสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับการงานกับชีวิตประจําวันได้แลาวเราก็สามารถที่จะใช้ได้ตืต่นนอนจนเข้านอนอยนะ่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นความเหมาะสมพอเหมาะพอดีกับยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่ต้องมีการเคลื่อนไหวนะทีนี้การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยมานะ ก็จะมีใช้อุปกรณ์ใหญ่ๆสองอุ2กก็คือนั่งกับเดินจริงๆมีนอนก็ได้ยืนก็ได้แต่ว่าสำหรับคนที่เอามาฝึกใหม่และมีเวลาระยะเวลาที่ไม่มากเนี่ยเราจะทำา2เอียกรณ์นี้คือนั่งกับเดินนั่งเนี่ยก็จะมีการยกมือ14จังหวะมาเดินก็คือเดินจงกลมเส้นเป้าหมายเดียวกันก็คือเราจะสายการเคลื่อนไหวของกายนี่แหละ ปลกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้มันตืนขึ้นให้มันวัยขึ้นซึ่งการวัยนี่แหละในทางทางสติเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมาพัฒนาเนี่ยมันตรงกับคำว่าภาวนาภาวนานาเจริญสตินาอันนี้เป็นคําเดียวกันขณะที่เราพลิกมือเนี่ยเราก็รู้สึกยกมือเราก็รู้สึกเคลื่อนกระรู้หยุด ก, ก็รู้รู้สึกตัวอย่าไปรู้อะไรมากกว่านั้น สัมผัสตรงไปตรงมาไม่ต้องไปคิดรู้นะแล้วก็ไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเอ๊ะมันช้าขนาดไหนมันเร็วขนาดไหนเอาแค่รู้ทีละขณะทีละขณะนะรู้ทีละขณะทีละขณะขณะเคลื่อนขณะหยุดแรกแรกให้ทําช้าๆอย่าไปทําเร็วนะคือเจตนาใส่เจตนาที่จะรู้สึกตัวมันอาจจะเพ่งจ้อง บ, บ่อยๆก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ปรับเพราะว่าใจเราเนี่ย มันหลงไปกับความคิดหลงไปกับอารมณ์มานาในชีวิตประจําวันอันนี้เราเริ่มมาหัดใหม่เนี่ยมันก็ฝืนหน่อยนะมันอาจจะติ ด, ดขัดๆมันอาจจะรู้สึกไม่เคยคองตัวมันอาจจะเกรงมายจาจเพ่งนะแต่การเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยให้วางกายคลายๆนะทําสบายๆนะแต่ว่าก็พยายามที่จะตั้งใจนาะที่จะรู้สึกตัวบางทีมันเผลอไปแล้วก็ช่างมันกลับมารู้สึกตัวใหม่ รู้บ้างเผอบ้างใหม่ๆมันจะเป็นอย่างเนี้ยถ้าไปตั้งใจมากใจมันรู้ตลอดมันจะเครียดมันจะตึงเกินไปนะก็อาศัยเวลาเนี่ยในการที่จะทําทําประสบการณ์ตรงนี้ทีนี้บางทีพอเราทํานั่งสร้างจังหวะนานานมันปวดมันเหนื่อยนะถ้าเรายังพอทนได้ก็นั่งทนไปก่อนถ้ามันทนไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนได้แต่อย่าปรับเปลี่ยนทันทีเมื่อรู้สึกปวดครั้งแรก ให้รู้สึกตัวว่าเราปวดเรามื่นะแล้วก็อดทนสักนิดหนึ่งตรงนี้จะฝึกความอดทนน่าอดทนสักนิดหนึ่งให้มันขอเราสักสองหรือสามครั้งปวดเมื่อยครั้งที่หนึ่งเออเฉยๆก่อนเราก็นั่งสร้างจังหวะของเราต่อไปครั้งที่สองมันบอกไม่ไหวแล้วนะนาขาจะหลุดแล้วนะเอออย่าเพิ่งไปทําตามมันครั้งที่สามมันจะไม่ไหวจริงๆมันเน็บทั้งขาเลยก็ให้รู้มันแล้วลุกขึ้นด้วยความรู้สึกตัวอย่าหุนหันพันแล่น ตรงนี้จะเกิดการยับยั้งชั่งใจฝึกความอดทนไปพร้อมๆกันนะซึ่งตรงนี้มันก็จะได้ประโยชน์ทีนี้พอเรามาเดินจงกรมเนี่ยมันก็จะคลายความเหนบชาให้สังเกตมันนะร่างกายมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราจะเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเลยนะตรงนี้เราจะเห็นเราก็จะศึกษาลงไปตรงนี้นะแล้วเราก็เดินกลับไปกลับมาระยะของการเดินแปดถึงสิบสองก้าวเป็นระยะที่เหมาะ แล้วก็ดเดินไม่ต้องมีคําบริกรรมเดินธรรมดาแต่ให้รู้สึกตัวในขณะที่ก้าวแต่ละก้าวไม่ต้องมีคําบริกรรมเพราะอะไรคําบริกรรมก็คือความคิดอย่างหนึ่งเพราะนั้นการทําวิธีเนี้ยเราพยายามทําแบบรัดสั้นเลยตรงก็ไปสู่ความรู้สึกตัวเหละเพราะจริงๆคําบริกรรมเนี่ยจุดประสงค์ก็คือจะให้เรากลับมารู้สึกตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านกำลพยายามที่จะหากุตสโลบาย หรือเป็นเทคนิคที่จะให้เรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะซึ่งคนที่เคยฝึกมาจะเป็นยุคหนอพองหนอสัมม า, าหังพุทโธเนี่ยก็สามารถที่จะมาต่อยอดได้เลยนะก็คือกลับมารู้สึกตัวกับการเดินกับการยกมือไม่ต้องมีคําบริกรรมใม่ใหม่มันจะรู้สึกหวงหวงเหมิงเหมิงมันมันอย่างไรแต่ก่อนเรามีคําบริกรรมมันยังมีอะไรผูกบ้างอันนี้ไม่มีอะไรเลยมันรู้สึกเอ๊ะมันจะหวงหวงเหมิงเหมิหงหรือเปล่า เอาการเคลื่อนไหวของกายนี่ยแหละเป็นหลักเป็นตัวที่จะผูกให้ใจมันอยู่นะให้ใจเนี่ยมีสติอยู่กับกายอย่างที่อาจารย์มังสินิสูตรเราไปแล้วเนี่ยใจมีสติอยู่กับกายแต่เวลาทําเราไม่ต้องไปท่องอะไนี่นะทําตรงๆรู้สึกตรงๆเลยนะที่การเคลื่อนไหวของกายให้เราทำบ่อยๆทําซ้ําแล้วซ้ํำอีกซ้ําแล้วซ้ำอีกเหมือนเราหัดเขียนกอไก่สมัยได้เรียนใหม่ๆสมัยว่าเรียนเด็กๆกอไก่ก็จะเขียนสวยเดําเขียนแล้วเขียน ซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้ก็คือยกแล้วยกอีกยกซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยซ้ำเพื่ออะไรเพื่อให้เราเคยชินกับความรู้สึกที่เกิดจากการเคลื่อนไหวนะเพราะนั้นต้องทําบ่อยๆรู้บ้างเผลอบ้างจะกลับมารู้ให้ได้บ่อยๆจะเดินก็ดีจะสร้างจังหวะก็ดีทํางสองวิบบตเนี่ยอันนี้คือทําในรูปแบบทีนี้การมาแนี้เนี่ยในเรื่องแรกเนี่ยให้เรารู้สึกตัวที่กาย หยาบยาบเนี่ยก่อนที่เป็นดื่นเป็นก้อนเนี่ยอย่าเพิ่งไปดูจิตอย่าเพิ่งไปดูความคิดเพราะจิตกับความคิดมันละเอียดมากอย่าเพิ่งไปดูเพราะไปดูเดี๋ยวเราจะลื่นไหลไปในความคิดลื่นไหลไปนารมณ์ให้เราพยายามมาดูที่กายบ่อยๆก่อนมารู้สึกที่กายที่ยบที่เคลื่อนบ่อยๆถ้าเรารู้สึกที่กายบ่อยๆมันเหมือนจะมีหลักแล้วมันมีหลักแล้วถ้ามันมีกระแส ค, ความคิดผ่านมาเนี่ยเราจะมีหลัก นะที่จะไม่ไหลไปตามกระแสะอารมณ์ไม่ไหลไปตามกระแสะความคิดมันคิดก็ช่างมันไม่ต้องไปตามมันกลับมารู้สึกตัวที่กายแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้ฝึกเนี่ยพอมันคิดอะไรเราก็ไหลไปตามความคิดคิดดีก็ไปคิดไม่ดีก็ไปอารมณ์ดีก็จมไปเลยอารมณ์อารมณ์มไม่ดีก็จมไปอารมณ์มันลื่นไหลไปพอเรามารู้สึกตัวที่กายเนี่ยมันจะมีหลักแล้ ต่อไปนี้เนี่ยพอมันคิดวัฟขึ้นมาปล่อยมันไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวนี่เป็นเทคนิคตรงไปตรงมาเลยคิดอะไรขึ้นมาไม่ห้ามแต่ไม่ตามกลับมารู้สึกตัวแค่เนี้ยง่ายๆสูตรมันมีง่ายๆตรงเนี้ยแต่ทําซ้ําๆจุดตรงเนี้ยบ่อยๆทำแบบนี้บ่อยๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกตัวที่มันอยู่โดยธรรมชาติเนี่ยมันจะเริ่มตื่นขึ้นเราจะเริ่มสัมผัสกับ อาการที่มันเกิดขึ้นในตัวเราจะเป็นอาการปรวดอาการเนื่อยอาการที่มันร้อนมันหนาวมันเย็นอาการคันอันนี้ซึ่งเรารู้สึกอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วอ่ะนะหรือแ ม, ม้แต่กระพริบตาแต่ตอนเราไม่เคยสนใจเราก็ระพริบตาไปอ่างนั้นแหละนะกลิ่นน้าลายเราจะเริ่มรู้สึกหรือแ ม, ม้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกซิมันบิมันเป็นไปเองอ่ะเราจะเริ่มสัมผัสความละเอียดอ่อนตรงนี้ แลมาอยู่ที่นี่เนี่ยบางทีเราจะได้ตื่นบอกไม้อ่อนๆเสียงจิ้งหรีดเสียงแมลงมันกรีดปีกร้องซึ่งเราไม่เคยสนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยหรือแม้แต่ตารกินข้าวเนี่ยเราจะสัมผัสเลยกินข้าวบบปล่าเนี่ยมันจะมีรสของมันมีรสหวานน้อยๆข้าวแบเปล่านะซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นี่คือสติมันเริ่มตื่นขึ้นมันเริ่มมีความละเอียดอ่อนขึ้นมาซึ่งตรงนี้แหละ มันจะเป็นตัวที่นําไปสู่สิ่งที่มันละเอียดอ่อนเข้าไปที่เป็นนมามธรรมนะก็คือความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์นะซึ่งเป็นสิ่งที่มันเกิดอยู่บ่อยๆนะเมื่อมันเมื่อตาของเราไปเห็นสิ่งที่สว ย, ยสวสยงามเราก็พอใจไปเห็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามเราก็ไม่พอใจหรือได้ยินเสียงเพราะๆนะเราก็พอใจเสียงที่ไม่เพราะเราก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันอยู่กับการสุขสุทุกๆพอใจไม่พอใจใจมันฟูขึ้นมันแฟบลงฟูขึ้นแฝบลงเราคุ้นเคยกับสภาพแบบนี้แต่จริงๆเนี่ยใจมันมีอีกอาการหนึ่งคือมันไม่ฟูไม่แฝบมันอยู่ปกติเฉยๆ อ, อย่างขณะที่แั่ฟังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าใจเราเฉยๆแล้วนะปกติไอ้ใจปกตินี่แหละที่มันรักษาชีวิตรักษา ใจิตใจของเราไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคบ้าเราสังเกตเลยพอเราฟูลขึ้นไปมันจะกลับมาปกติมันฟาบมันก็จะกลับมาปกติหรือเวลาเราเกิดเนี่ยสุดท้ายมันจะหายโกรธมันจะอยู่เช่เฉยนะดีใจขึ้นไปเดี๋ยวมันก็จะลงมาปกติเสียใจสุดท้ายมันยังมาปกติถ้าเราไม่คุ้นคิดมันต่อนะเราไม่คุ้นคิดไม่ไข้ควรไม่แคลมครวนไม่ไข้ควรแคลมครวนมันต่อตรงเนี้ มันจะทําให้เรากลับมาสู่ความเป็นปกติเพตอะนั้นเตสติที่ฝุกมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้รู้เท่าทันอาการเหล่านี้แล้วมันจะทําให้เรากลับมาสู่ความเป็นปกติของใจได้บ่อยๆความเป็นปกติของใจนี่แหละนาที่มันจะทําให้เรามีมีความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่เราไม่เคยได้เห็นเป็นความสุขที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับวัตถุเป็นความสุข นี่ที่มีอยู่ในจิตใจของเราอยู่แล้วเป็นความสุขที่มีโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเป็นความย็น อ, อกเย่นใจเป็นความปลอบโปรงโล่ล ง, ลงใจที่มันมีอยู่แล้วและตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาให้มาให้เรามีชีวิตอยู่เพราะนั้นตรง น, นี้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยสติที่มีการฝึกแล้วนะจึงจะสัมผัสกับอาการของใจที่มันเป็นปกติเป็นกลางๆได้นะ เพราะนั้นตงนี้ต้องอาศัยการฝึกแล้วฝึกเอกฝึกแล้วฝึกเอกเพราะนั้นดีจากกายเนี่ยมันจะเข้าไปหาสิ่งที่เป็นนมามธรรมที่เรียกวความพอใจไม่พอใจความเฉยเฉยนัซึ่งภาษาศา ส, สนา เ, าเรียกว่าเวท น, า, นาเวทนาไม่ใช่วันน่าสงสาราเวทนาแปลว่าการสวยอารมณ์อารมณ์พอใจไม่พอใจอารมณ์เฉยเฉยนัาภาษาอังกฤษเรียก feeling นั่นแหละนั่นมันตรงออกับคำ feeling เพราะฉนั้นตรงเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะเปิดขึ้นมากมายนะฮะถ้าสติเราชัดเนี่ยมันจะไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้ทีนี้ที่ละเอียดเข้าไปอีกก็คือความคิดเร็วมากเขาบอกแสงเร็วที่สุดในโลกลนะนะความคิดเร็วกว่าแสงอีกปุ๊บป๊เราอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดป่าสกโ ต, โตคิดปุ๊บไปกลับไปที่อุบาลละคิดปุ๊บไปถึงเพื่อนคนนู้นคนนี้นละมันเร็วมากเป็นสิ่งที่เร็วมาก ไอนสไตบอกว่าสิ่งใดเร็วกว่าแสงสิ่งนั้นไม่มีตัวตนนี่ไงความคิดไม่มีตัวตนแต่มันมีสิ่งที่เร็วกว่าความคิดคือความรู้สึกตัวถังแก่เมื่อเราคิดแปบบ๊บเรารู้สึกทันมันกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวหรือสติที่เราฝึกเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไวมากไวกว่าความคิดเมื่ อ, อมันเป็ น, นกลไกธรรมชาติหน้าที่เราจเจามาในการที่จะรู้เท่าทันความคิด โยกลืมตัวเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดก็เกิดการปรุงแต่งบางทีก็ไปอาลัยอาวร์กับเรื่องในอดีตบางทีก็ไปวิตกกังวลกับเรื่องอนาคตไม่ได้อยู่กับปัจจุบันหรือแม้แต่อยู่ในปัจจุบันก็คุ้มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆนานาอันนี้คือลืมตัวไม่รู้สึกตัวเพราะการมาเจริญสติเนี่ยการมาทํากรรมฐานตรงนี้นก็มีจุดประสงค์ที่จะให้รู้เท่าทันความคิด เปล่งแต่งโดยเฉาะยิ่งไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือไม่ดีมาที่นี่มาฝึกสองวันสามวันทิ้งให้หมดเลยไม่ต้องไปตามมันแล้วไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์ว่ามันคิดดีคิดไม่ดีคิดมากคิดไม่ต้องเลยมันคิดตบให้รู้ทันแล้วกลับมารู้สึกตัวใหม่ๆ ม, มันไม่ทันหรอกโดยเฉพาะเรื่องที่ประทับใจหรือฝังใจเรามากๆเนี่ยโอ้โหมันคิดยาวเลยกว่าจะรู้ตัวโอ้ชาไปละไม่เป็นไร แค่มารู้สึกตัวปุ๊บทิ้งแล้วก็กลับมารู้สึกตัวกลับมาที่กายเคลื่อนไหวเพราะฉั้นความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนีจะเป็นหลักที่จะให้ใช้ในการที่เราจะกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆตรงเนี้ยทาแล้วทําอีกย้าแล้วย้ําอีกทําแล้วทําอีกทำบ่อยๆนะเราก็เห็นกายเห็นเวทนาความคิดเนี่ยเป็นอาการของจิตนะเป็นอาการจิตจิตเราไม่สามารถที่จะเห็นมันได้ทันความคิดนี่แหละ ทีนี้ไม่เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตนะมันก็จะได้เห็นอาการต่างๆเห็นธรรมาชาติาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราเอ่อเดนินนั่งนอนนะยังฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะเจออาการม่วงนะก็เรียกว่าถินาิทะเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งที่มันจะกางกัน้นนะหรือฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านนะนี่ก็เป็นเป็นนิวรณ์ที่มันจะมากางกัน้นที่จะไม่ให้เรารู้สึกตัว อ่าเนื้อสงสัยลังเลเอ๊ะพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เหรอไม่ได้สอนนั่งมานั่งยกมือไปนเนี่ยนะทาแล้วมันจะมีสมาธิยังไงเออเนี่สงสัยไอ้พียนี้มันเป็นสิ่งที่มากางกาั้นก็เรียกว่าเป็นมิวรธรร ม, มนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพราะนั้นทุกคนเลยนะไม่ว่าวิธีไหนก็ตามมันจะเจอเหล่านี้ทีนี้คนส่วนใหญ่พอเจออาการเหล่านี้มันจะถอยคือทาไปทำไป โอ้มันคิดมากกว่าที่เราไม่เคยทำเราอยู่ที่บ้านที่ทํางานไม่เคยคิดขนาดนี้เลยพอมาทําที่นี่มันคิดมากอย่างเลยด้วยทซ้ําไปซ้ามามันเบื่อยกไปยกมามันเบื่อมันไม่อยากทําละเลิกทําตอนนี้ยจริงๆอาการเหล่านี้เนี่ยความเรื่องก็ดีความเบื่อก็ดีความฟุ้สร่างก็ดีมันเป็นเครื่องทดสอบมาให้เราเรียนรู้ มันเป็นเหมือนบันไดขั้นต้นน่ะที่เราจะต้องเหยียบมันแล้วก็ขึ้นไปนั่นก็หมายถึงว่าเราต้องผ่านอารมณ์พวกนี้การผ่านอารมณ์พวกนี้เราจะใช้อะไรเป็นตัวผ่านก็ความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนั่นแหละมันเนื่องขึ้นมาพยายามเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นแรงขึ้นตลุกความรู้สึกตัวเวลามันฟุ้งซ่านไม่ต้องไปห้ามมันกลับมารู้สึกตัวให้ด้วบ่อยๆเกิดมันสงสยัยมันคิดอะไรขึ้นมาทิ้งไปเลยมาอยู่ตรงเนี้ยมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวตรงเนี้ย เกิดอะไรขึ้นกลับมารู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวตัวนี้จะเป็นตัวผ่านถ้าเราผ่านมันได้เนี่ยความเลื่องมันจะมีน้ำหนักน้อยลงนะมันจะค่อยเบาบางลงความรู้สึกตัวจะเข้าไปแทนที่ใจของคนเราเนี่ยมันจะรับได้ทีละอย่างถ้าความเล่วงครอบงำความรู้สึกตัวจะครอบงาไม่ได้แต่ถ้าความรู้สึกตัวเข้าความเอ่อความความล่วงมันจะเข้าไม่ได้แล้วมันจะแทนที่กันเหมือนความมืดกับความสว่าง ถ้ามันมืดเราไฟไปฉายมันก็สว่างพอเราปิดไฟมันก็มืดเหมือ น, นกันใจของเราถ้าความเมื่อยมันไปครอบงาเราไม่รู้สึกตัวละล ม, มเย็นล ม, มเย็ะ แ, แต่ถ้าเราปลุกให้ตื่นความเมื่อยหายความรู้สึกตัวมันจะตื่นเพราะฉะนั้นความเมื่อยเนี่ยเป็นอีกหน้าหนึ่งของความตื่นที่สุดของความเมื่อยก็คือตื่นนั่นเองนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้จากการฝึกเพราะฉะนั้นจากกายเวทนาจิตนั้นเราก็มา รู้ทำหนาธรรมก็คือนิวรธรรมนี่แหละนะหรบางทีคิดดีคิดไม่ดีเป็นกุศลเป็นอ ก, กุศลขึ้นมานานี่ก็คือสติปัฏฐานสี่นาที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่เพราะมีสี่ฐานนั่นเองแต่ว่าสี่ฐานเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยนะสามฐานสุดท้ายนี่เรายังไม่ต้องไปสนใจอะทอด น, นี้มาแรงมาเอาปิดไฟหน่อยก็ดีนะเออฝนตกแล้วก็มันก็จะมา เพราะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ในการรักษาโรคทางใจนะก็คือความรู้สึกตัวหรือเรียกว่าสติสัมปชัญญะซึ่งได้จากการฝึกเจริญสติโดยเจริญสติมีความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนเอาตรงนี้ชัดๆเรื่อที่เพิ่งไปสนใจเลยถ้าตายชัดเดี๋ยวอันอื่นมันจะชัดเองเพราะฉะนั้นความคิดทิ้งไปหมดเลย มันคิดเรื่องอะไรทิ้งกันหมดเลยกลับรู้สึกตัวอย่างเดียวตอ น, น, น, น, นเนี้ยทีนี้บางคนเนีสงสัยโอ้ทิ้งหมดแล้วเดี๋ยวไม่คิดเลยจะเป็นยังไงมันก็เลยสงสัยนี่นนะมนางคนบอกเอ้ยเดี๋ยวกลับไปทํา ง, งานไม่ต้องคิดแล้วเหรอไม่ต้องไปกังวลความรู้สึกตัวหรือ ส, สติสัมปชัญญะเขาจะจัดระเบียบความคิดความคิดมันมีสองอย่างหนึ่งตั้งใจคิดเช่นเราคิดทำการทํา ง, งานอะไรต่างๆวางแผนอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ ใช้ประโยชน์ได้แต่สังเกตไหมความคิดชนิดนี้เนี่ยพอมันคิดจบก็จบแต่มันมีความคิดหนึ่งคิดจุกคิดจิดคิดไม่จบไม่สิ้นคิดไม่รู้ตัวไอ้ตัวเนี้ยที่มันทําให้เราเหนื่อยวันวันหนึ่งไอ้ความคิดจุกคิดจิกคิดฟุ้งซ่านหนึ่ยเยอะบางคนมันจะนอนแล้วยังไปคิดเลยใช่ไหมมันห้ามไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกมาแล้วต่อไปนี้เราจะมีเครื่องมือในการควบคุมตัวนี้ควบคุมความคิด ไอ้ที่มันจกจกจิกจิกนี่แหละความรู้สึกตัวเน่ยจะเป็นตัวที่ไปจัดระเบียบมันอันไหนไม่จําเป็นต้องคิดก็ทิ้งไปไอ้ตัวไหนต้องคิดเพื่อที่จะใช้การใช้งานมันก็จะมาใช้เพราะนั้นตรงนี้เราจะเราจะใช้พลังงานน้อยลงคิดเป็นเรื่องเป็นเรามากขึ้นคิดจุกๆกจิกจก็จะน้อยลงอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของสติแต่ในช่วงของการปฏิบัตินะตั้งใจคิดก็ไม่เอาทิ้งให้หมดเลย ที่ไม่ตั้งใจก็ทิ้งไปหมดเลยคือเราต้องการให้ความรู้สึกตัวมันเด่นและไม่ต้องไปกลัวนะว่าความคิดมันจะหมดไม่หมดหรอกหรือมันจะมาเรื่อยๆแลารูปแบบความคิดมันจะมาแนดเนียนขึ้นเรื่อยๆมันจะหลอกเรามาซึ่งตรงนี้เราจะไม่เท่าทันมันเพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์มันเกิดจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดนั่นเองมากการไม่รู้เท่าทันอารมณ์นี่เองการจะรู้เท่าทันได้ก็ใสยสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะ เป็นสติสัมปชัญญะที่เกิดจากการฝึกน่ะก็เรียกว่าสติปัฏฐานเป็นสติที่พัฒนามาจากสติสามัญเพราะนั่นมันจะมีสติสองอย่างสติสามัญกับสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี่เกิดจากการฝึกเกิดจากการที่ทําแล้วทําอีกนั่นเองนะที่เรามากันที่นี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีเวลาไม่มากเป็นที่พรุ่งนี้วันเดียวพรุ่งนี้วันเดียวแล้ววันถัดไปก็แค่ครึ่งวัน เพราะนั้นขอให้แต่ละท่านเนี่ยใช้เวลาเนี่ยกับการนำในรูปแบบให้ ม, มากๆแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนำนะก็คือการพูดการคุยถ้าเราพูดคุยกันมากเท่าไหร่เนี่ยความรู้สึกตัวที่เราฝึกเนี่ยมันจะหายไปเร็วมากแล้วมันจะไม่เคยได้ผลเพราะนั้นที่นี่จะมีเขียนปิดไว้เลยปิดวาจานะงดพูดเพื่อภาวนา น, นี้เราไม่ได้เขียนไว้เล่นๆนะเขียนไว้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนที่มาปฏิบัติเนี่ยนะได้ทําอะไรได้เต็มที่เพราะนั้นเรามีเวลาเต็มที่วันเดียวเคยพูดเคยคุยเค ย, คยสนท น, นาปลาใสเนี่ยเงียบไวก่อนเก็บไว้ก่อ น, อนถ้ามันไม่คอขาดบาดตายจริงเงียบเลยสังเกตที่นี่นะผู้ที่มาปฏิบัติที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่กันเงียบ ถ้าจะพูดก็พูดกันน้อยๆพูดในที่จําเป็นพูดเบาๆพูดเสียงไม่ดังนะพอให้รู้กันนิดๆหน่อยๆเข้าใจกันแต่ถ้าจะมานั่งจับกลุ่มคุยกันเนี่ยน้อยมากเดี๋ยวพอเลิอกอันนี้ไปเนี่ยต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปปฏิบัติที่กุฏิของตัวเองในที่ของตัวเองนะในส่วนของพวกเราที่มาเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้ที่ศาลาเนี่ยปฏิบัตินะในในในช่วงวันนี้พรุ่งนี้มาลุนนี้ หรือบางทีถ้าฝนไม่ตกก็ จ, จะไปที่ลานหินโะค้งาทำกรในรูปแบบให้เต็มที่ทีนี้นอกจากในรูปแบบแล้วเนี่ยเราก็พยายามเก็บตกในกิจวัตรประจำวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน mm hmm. อย่างเช่นม่าเราทำวัดเสร็จปฏิบัติเสร็จเรากลับไปที่พักเนี่ยเราเดินไปด้วยความรู้สึกตัว เปิดประตูด้วยความรู้สึกตัวเปิดไฟด้วยความรู้สึกตัวนั่นก็คือทําอะไรเนี่ยเอ่อด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้ทําไปตามสัญชาตญาณหรือจําตามความเคยชินคนที่ทําตามความเคยชินเนี่ยบางทีเดินเนี่ยก็ไม่ระมัดระวังช่วงนี้ฝนตกลื่นบางทีจะลื่นเดินแล้วลื่นไม่ระมัดระวังนะเปิดประตูก็ไม่ระมัดระวังเปิดปึ้งปังตึ้งปัง นะเสียงดังนะอันนี้ก็คือเรียกว่าไม่มีสตินะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเสียงบรบกวนเพื่อนๆ น, นะเปิดก๊อกน้าปิดก๊อกน้าแม้แต่แปลงฟันเนี่ยก็สามารถฝึกสติได้แต่ก่อนเราแปลงฟันเราก็แปลงไปคิดนน่นคิดนี่คิดนั่นต่อไปนี้เราลองดูนะแปลงฟันแล้วเราพยายามดึงกลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวที่มือเนี่ยที่เราแปลงฟันน นะอันนี้ก็จะเป็นการเจริญสติกับการแปลงฟันนะแปลงฟันเสร็จเข้านอนนะเข้านอนแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรลนะมันคิดอะไรก็พยายามเคลื่อนไหวให้ใหมันรู้สึกตัวหรือใช้ลมหายใจก็ได้วันนี้มาวันแรกบางคนอาจจะแปลกที่นะแปลกที่แล้วนอนไม่เคยหลับนะนอนไม่เคหลับเนี่ยนะลองดูซินอนวางกายคลายสบายๆหาย ใ, หใจเข้ารู้สึก หายใจออกรู้สึกสบายๆมันจะคิดอะไรอย่าไปตามมันกลับมาตรงที่ลมหายใจนะหรือพลิกมือเล่นอยู่ที่นอนเนี่ยทำใจสบายๆอย่าพยายามถ้ามันไม่หลับอยากจะให้มันหลับไอความอยากให้มันหลับเนี่ยมันเลยไม่หลับตรงเนี้ยนะคืนเนี่ยลองดูเพราะนั้นเราสามารถฝึกได้นะแม้แต่เราจะนอนนะแล้วบางทีมันนอนเนี่ยถ้าเราหายใจเราชัดมีสติเดียมันจะหลับพิ้งไปเลย แล้ก็ตั้งเวลาในใจไว้วนะ่าตีสามต็มนตีสามนะบางคนเดี๋ยวจะโดนยึดโทรศัพท์ก็ไม่มีนาฬิครับต้องเรนมากูาจะตื่นให้ทันลองดูนะตั้งนาฬิกาจิตพรนี้เช้าตื่นมาก็ให้รู้สึกตัวนะหายใจเข้ารู้หายใจออกก่อนที่จะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวคนบางคนเป็นโรคความดันเนี่ยลุกเพื่อพลาดขึ้นมาบางทีเส้นเลือดในสมองแตกได้นะ ก็้ราลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกตัวพับผ้าให้เรียบร้อยวางให้เรียบร้อยลุกขึ้นด้วยความรู้สึกตัวเดินไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาด้วยความรู้สึกตัวสัมผัสกับความเย็นของน้ํากับมือของเรานะแปลงฟันด้วยความรู้สึกตัวแม้แต่ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยก็ด้วยความรู้สึกตัวถ้าเราไม่รู้สึกตัวบางทีราเบ่งมากๆเนี่ยโอ้โหมันทําให้อวัยวะของเราในเสียหาย นะตรงเนี้ยเราสามารถจะทําได้แล้วมันปรากฏในพระไตรปิฎกมหาสติปัฏฐานสูตรด้วยนะที่พูดเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่เอามาประยุกต์ใช้เลยสวนเสื้อผ้าด้วยความรู้สึกตัวนะเลือกเสื้อผ้าอาใสใ่มันอุ่นผู้เหนอากาศมันจะเย็นเราก็จะใส่ใมันอย่างไรให้มันอบอุ่นนะแล้วก็เดินออกมาปิดประตูปิดไฟอย่าลืมปิดพัดลมนะนี่ก็ทํำด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวเดินมาศาลา มานั่งขณะที่มานั่งเนี่ยนาะยยังไม่ทําวัดสวดมน์มานั่งรอเนี่ยนาเราก็นั่งสร้างจังหวะเลยอย่าไปนั่งคุยกันหรืออย่าไปนั่งโม่อมอลอยๆจะมีอะไรต่อนะตรงเนี้ยเรียกว่าเราเก็บตกทุกเม็ดทุกนาทีมีค่านะแล้วเราก็ไปพระสวดมนต์ได้พระสวดมนต์ด้วยความรู้สึกตัวพิจารณาบทสวดมนต์ฟังพระที่ท่านนําแล้วเราก็ตามเราจะไปเอาตามใจเราตามใจเราบางทีมันเร็ว พระท่านมีจังหวะช้าเราก็ช้าตามท่านนะตรงนี้มันจะทําให้การสวดมนต์ของเราเนี่ยพร้อมเพียงกันแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื้อเป็นการเจริญสติพิจารณาบทสวดมนต์มันก็ได้สติได้ปัญญาด้วยใจมันก็อยู่กับบทสวดมนต์ตรงเนี้เราก็ฝึกสติกับบทสวดมนต์ตอนเช้ากินข้าวเดี๋ยวตอนเช้าพรุ่ง น, นี้เนี่ยอาจารย์สงสินจะพาปฏิบัติกินข้าวก็ปฏิบัติได้ จะปฏิบัติยังไงพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งในในในชั่วโมงของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นนอกจากทําในรูปแบบแล้วเราก็ทํานอกรูปแบบในกิจวัตรประจําวันด้วยเพราะฉะนั้นการเจริญสตินะมันสามารถทําได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนและถ้าเราฝึกตรงนี้ได้เนี่ยอีกหน่อยเราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยในชีวิตประจําวันที่เราทํานั่นแหละก็ลองดูเพราะฉะนั้น ในการปฏิบัติเจออารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องไปยอมสยบมันกลับมารู้สึกตัวเราทวนกระแสขึ้นไปเลยตรงนี้จะเป็นยารักษาโรคทางใจนะก็คือความเบือ่อความเซงความโกรธความหงุดหงิดอะไรต่างๆได้นะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราสามารถรักษาโรคอันนี้ได้มันก็จะทำให้เราเนี่ยนะมีจิตใจที่เป็นปกติบ่อย ซึ่งอเมทิว่าเป็นราบอันประเสริฐเราคงเคยได้ยินนะที่เขาบอกว่าอะโลคยาปลมาราภาความไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนี่แหละโรคอันนี้คือไม่ใช่โรคทางกายอย่างเดียวนะโรคทางใจด้วยเพราะนั้นพุทธศาสชนสุภาสิทธ์อันนี้เนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งนะมันไม่ใช่โรคทางกายอย่างเดียวคือโรคทางใจถ้าเราฝึกสติดีต่อนเนื่องใช้การได้มันจะรักษาโรคทางใจ คือโลกลืมตัวไม่รู้ตัวได้ด้วยนาะเครื่องมือที่สําคัญก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองนา t h i ก็เป็นสิ่งที่อยากจ ะ, ะพูดคุยกับพวกเราในค่าวันนี้แล้วก็ขอให้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปเนี่ยเอาไปปฏิบัติไปลองดูอย่าเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อเอาไปลองพิสูจน์ดูแล้วสิ่งสําคัญก็คือเปิดใจกว้างแล้วลองทําดูโดยเพราะคนนี้เคยฝึกวิธีอื่นๆมา เอาวิธีการนู่นวางไว้ก่อนน้าเราไม่ทิ้งนะแล้วลองมาดูว่าวิธีนี้มันจะเป็นยังไงนะลองพิสูจน์กันดูว่ามันจะได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นในท้ายที่สุดนี้นะก็ของหเอาอกุลของพระสีรัตนไตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน ก็คือสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเองพระธรมคือสัจธรรมความจริงนะที่แสดงปรากฏอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะที่จะให้เราเห็นด้วยตาใจแล้วก็พระสงคนะ์ก็คือการที่เรามาเจริญสตินั่นเองด้วยการปรพฤติปฏิบัตินี้เองนะแล้วก็ขอให้มีความอดทนนะมีความเพียรนะมีความพยายามนะที่จะเรียนรู้เรื่องพวกนี้ ด้วยตัวของเราเองน่าก็เชื่อว่าด้วยความตั้งใจของพวกเราความศรัทธาความเพียรพยายามน่าจะเป็นปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่านน่าได้ค้นพบนายาที่จะรักษาโรคทางใจในเร็ววันนี้โดยชั่วหน้ากันเทินเจริญพร